ตอนที่36กกฎบะราพรชนมิใช่เรื่องเลวร้ายการประชุมขุนนางครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นนาะตำหนักเทีจีเต็มไปด้วยการวางแผนและการหยิ่งเชิงในเกมแห่งอำนาจนี้ชูหลิงเป็นทั้งผู้มีส่วนร่วมและผู้สังเกตการซึ่งทําให้เขารู้สึกได้ลึกซึ้งที่สุดพันดีกาแต่ละเรื่องที่ถูกนําเสนอทําให้ชูหลิงเริ่มมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของต้าอวี๋เขาเรียบเรียงข้อมูลในใจทั้งในด้านการเมืองการทหารกฎหมายและการลงทันเพื่อมองให้ออกว่าส่วนกลางของต้าอวี๋มีทัศนคติอย่างไรต่อดินแดนต่่่างงๆทีปกครออยู ไม่น่าแปลกใจเลยที่จากปรพัฒน์เสวียนจงฉุนทรงต้องการเปิดศึกแม้กระทั่งก่อนสวรรคตยังทรงเตรียมการเรื่องนี้อย่างแข็งขันราชวงศ์ต้าอวีที่ดูเหมือนจะรุ่งเรืองภายใต้ความสงบสุขและการไล้รำขับขานแท้จริงแล้วกลับซ่อนเร้นภัยอันตรายไว้มากมายบางอย่างเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดแล้วความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดคือการลดงบประมาณบรรเทาทุกนอกจากเขตซีเหลียงเต้าและอันเป่ยเต้าที่เฉินเจียนกลับทูลแล้วยังมีอีกหลายคนที่กลาบทูลเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก, กับการประสบภัยและการบรรเทาทุกทั้งภัยแล้งอุทกภัยภยัยจาากกตตตะแนวภัยโรคบ ด้วยอาณาเขตอันกว้างขวางของต้าอาวี๋ทำให้ในแต่ละภูมิภาคเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่างๆกันไปในทุกๆปีส่วนกลางของต้าอาวีจะต้องจัดสรรเงินและสเสบียงจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ในการเยียวยาพื้นที่ประสบภัย ทว่าเมื่อเทียบกับรัชสมัยของเทจูและเทจงพอมาถึงรัชสมัยสวียนจงแม้จักรพรรดิพระองค์ใหม่จะครองราชได้ไม่ถึงหนึ่งปีแต่ในช่วงเวลานี้กลับเกิดภัยพิบัติขึ้นมากมายแม้แต่ในตอนนี้ก็ยังมีอยู่ทว่ามาตรการและพลังกาลังในการบรรเทาทุกกลับเทียบไม่ได้กับสองรัชสมัยก่อนหน้าเลยต้าอาวีสถาปนามายังไม่ถึงสี่ปีก็กลายเป็นเช่นนี้แล้วหรือระดับความฟอนเฟส น, นี้มันจะมากเกินไปหน่อยมั้งการสวรรคตของสเสวียนจงหรือว่าจะเป็นการถูกลอบลงพระชน เมื่อเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้เข้าด้วยกันชูหลิงก็นึกถึงความจริงที่น่ากลัวอย่างหนึ่งในช่วงต้นของการครองราชทรงต้องการปฏิรูป ก, การปกครองเพื่อให้โลกเห็นถึงความแตกต่างแม้แต่ผู้คนทั่วใต้ล่าต่างก็เฝ้ารอให้ต้าอาวีมีจักรพรรดิที่เผด็จการและทรงอำนาจอีกครั้งนี่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาที่ชัดเจนมากความคิดนี้ผุดขึ้นในใจของชูหลิงแล้วไม่เคยจางหายไปเลยแต่ข้อมูลที่ชูหลิงมีอยู่นั้นน้อย<ๆ>เกินไปเขาไม่สามารถพิสูจน์ข้อสันนิษฐานของตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จเพราะในตอนนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจนัก หากจากพระพัศเวียนจงฉุนถูกลอบลงพระชนจริงเป็นไปไม่ได้ที่สามพระนางจะไม่รู้เรื่องเลยหรือแม้แต่ร่องรอยเพียงเล็กน้อยก็หาไม่เจอเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำ ม, มากเกินไปกระหม่อมเป่ากวัวกงแม่ทัพหลงหูควบตําแหน่งจู้กัวรังตําแหน่งตาซื้อหมาเพี้ยฉีเจียนจวินจงชวนมีดีกาจะกราบทูลในขณะที่ชูหลิงกําลังครุ่นคิดเสียงอันกังวลก็ดังขึ้นทําให้การประชุมที่กำลังจะสิ้นสุดลงพันเปลี่ยนบรรยากาศไปทันทีเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว เมื่อจงชวนก้าวออกมาจากแถวขุนนางชูหลิงสัมผัสได้ชัดเจนว่าเหล่าขุนนางที่กําลังเหนื่อยล้าต่างพากันแสดงสีหน้าหลากหลายและจับจ้องไปที่จุดเดียวนี้คือรัศมีอันทรงพลังของจงชวนตามหลักแล้วหากข่าได้กลุมอํานาจจริงๆริข้าคงจะมีรัศมีที่น่าเกรงขามยิ่งกว่าเขาเสียอีกเมื่อเห็นภาพนี้ชูหลิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะย้อดตัวเองในใจช่างหน้าเวทนานักจั ก, กรพรรดิที่ไร้อานาจที่แท้จริงกับเทียบไม่ได้แม้แต่กับคนที่อยู่เบื้องล่างโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายและน่าขันสิ้นดี ตามกฎเกณฑ์เมื่อจกักรพรรดิพระองค์ใหม่เสวยราตามพระราชองค์การควรคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าสู่กรมเลขาธิการและเพิ่มจ้าหน้าที่องคารักษ์หน้าพระที่นั่งเพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอัลลุนพ้นจงชวนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพร้อมกับประสานมือคำนับต่อหน้าพระที่นั่งกระหม่อมบังอาจขอให้ฝ่าบาทและสามพระนางปโปรดมีพระราชองค์การพิเศษจัดงานประลองงานประลองบุญบูเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถจากทั่วใต้ล่ามาประจำการหน้าพระที่นั่งให้ทั่วล่าได้อาพระมหากรุณาธิคุณ นี่มีใช่โอกาสหรอกหรือชูหลิงสะกดกลั้นความตื่นเต้นในใจไว้ภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ดวงตาคู่นั้นกลับจ้องคำแมงไปที่จงชวนแม้เขาจะไม่รู้ว่าเหตุใดจงชวนถึงทำเช่นนี้แต่สัญชาตญาณบอกเขาว่าจงชวนจงใจทําหรือว่าการแสดงออกที่ตาหนักโซ่หวงจะทำให้ขุนนางเก่าแก่แกผู้นี้มีความคิดบางอย่างขึ้นมา จงชวนจะมีความคิดอย่างไรในสายตาของชูหลิงตอนนี้ดูเหมือนจะไม่สําคัญแล้วสิ่งที่สําคัญจริงๆคือการจัดงานประลองบุนบูเพื่อรวบรวมยอดฝีมือมาอยู่หน้าพระที่นั่งแม้เขาจะอายุเพียงแปดขวบแต่เขาคือจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของต้าอวีขอเพียงเขาสามารถดึงดูดคนสนิทมาได้แม้เพียงคนเดียวก็นับว่ากําไรมหาศาลอย่างน้อยที่สุดข่าวคราวต่างๆนอกวังก็จะไม่ถูกปิดตายโดยสมบูรณ์อีกต่อไปแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกจํากัดแต่มันก็คือข้อมูล ในตอนนี้ทั้งอำนาจทหารอำนาจการเงินและอำนาจการแต่งตั้งบุคคลไม่มีสิ่งใดอยู่ในมือเขาเลยสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานของการเป็นจักรดิษฐ์แต่ในเมื่ยังไม่อาจช่วงชิงอำนาจเหล่านั้นมาได้เขาก็ต้องหาทางควบคุมอำนาจด้านข่าวกรองให้ได้ก่อนชูหลิงรู้ว่าต้าอาวีมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งสืบทอดมาจากหน่วยลิ้วซ่านเหมือนในราชสมัยก่อนและในรัชสมัยนี้ก็ยังเรียกว่าลิ้วซ่านเหมือนอยู่แต่นั่นเป็นของแผ่นดินใครกุมอำนาจลิ้วซ่านเหมือนก็จงรักพักดีต่อผู้นั้นสำหรับชูหลิงแล้วพวกเขาไม่ได้จจงงงรรัักกดีอย่าแท้ิ ดังนั้นต่อให้มีคนเข้าใกล้เขาเขาก็จะไม่ไว้วางใจโดยง่ายดังนั้นเขาจึงต้องจัดตั้งหน่วยงานข่าวกรองใหม่ขึ้นมาองค์ครักเสื้อแพรหน่วยบูนพาหน่วยประจิมสำนักเจ้าซื้อเมื่อนึกถึงสิ่งเหล่านี้ชูหลิงก็คิดถึงชื่อเรียกมากมายในใจหากเรื่องนี้ทำได้จริงเขาก็จะสามารถหาโอกาสใหม่ๆคัดเลือกคนที่ไว้ใจได้มาดาเนินการเรื่องนี้แต่สามพระนางจะเห็นชอบด้วยหรือ หัวใจที่ตื่นเต้นของชูหลิงพลันสงบลงในพริบตาดูเหมือนโชคชะตาทั้งหมดของเขาจะไม่อาจหลีกหนีพ้นสตรีทั้งสามที่อยู่เบื้องหลังเขาได้เลยหากสามพระนางปฏิเสธชูหลิงก็ไม่มีหนทางใดๆเลยไม่อนุมัติเสียงอันเย็นชาดังขึ้นทําให้มือของชูหลิงกําแน่นเข้าหากันแผนการที่เขาเพิ่งคิดขึ้นมาย่างไม่ทันได้เริ่มก็ถูกทําลายลงตั้งแต่ยังเป็นเพียงต้นกล้ากระหม่อมขอทูลททานด้วยชีวิต เมื่อจงชวนได้ยินเช่นนั้นเขาก็ถลกชายเสื้อคลุมแล้วคุกเข่าลงกับพื้นกดบรรผชนมีอัดละเมิดในยามที่บ้านเมืองกําลังสั่นคลอนและจักรพรรดิพระองค์ใหม่เพิ่งขึ้นครองราชเช่นนี้ควรทําตัวเป็นแบบอย่างแก่ใต้ราแต่สิ่งที่ชูหลิงคาดไม่ถึงก็คือหลังจากที่หวงไทโฮวัตรัสปฏิเสธจงชวนกลับไม่ยอมถอยตรงกันข้ามเขากลับทุนททานด้วยชีวิตต่อหน้าเหล่าขุนนางทั้งราชสํานักเรื่องนี้ทําให้สีหน้าของสวีเจินดูย่ําแย่ลงไปอีก กระหม่อมอ่านกวัวกงแม่ทับเสรินเว่ยควบตำแหน่งจู้กัวรังตำแหน่งต้าซือมาเชิฉีเจียงจะวินชางหลีเห็นพ้องด้วยและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือทันทีที่จงชวนผู้จบก็มีอีกคนหนึ่งก้าวออกมาขุนนางในราชสำนักต่างพากันฮือฮาบางคนถึงกับมองชางหลีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งและภาพทั้งหมดนี้ถูกชูหลิงมองเห็นอย่างชัดเจนออกมาอีกคนแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้จะจงรักพักดีต่อ จ, กกจักรพรรดิเทจูเก่าจริงๆ หากมีเพียงจงชวนออกมาคนเดียวชูหลิงอาจจะสงสัยในเจตนาบางอย่างแต่เมื่อชางหลีออกมาด้วยชูหลิงก็ต้องมองเรื่องนี้ใหม่ชางหลีผู้นี้มีฉายาว่าคนฆ่าคนทั้งชีวิตกร้ำสึกเพื่อต้าอวี๋ศัตรูที่ตายด้วยน้ํามือเขามีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็เพราะเหตุนี้เองที่ทําให้ชางหลีต้องรับผลกรรมตระกูลอันกวอกงจะมีทายาสืบสกุล น, น้อยมากนี่เป็นเรื่องที่คนทั่วใต้ล่าต่างรู้ดีสถานการณ์พันเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเลิกประชุม ในขณะที่ชูหลิงกำลังคลุ้นคิดเสียงของสุนหลีก็ดังขึ้นจากนั้นสามพระนางก็ลุกขึ้นและเสด็จจะไปภายใต้การเตือนเบาๆของหลี่จิ้นชูหลิงจึงลุกขึ้นยืนแต่เขาไม่ได้รีบร้อนเดินจับไปเขามองไปที่จงชวนและชางหลีที่ยังคงคุกเข่าอยู่ส่วนขุนนางเบื้องหลังในตอนนี้กลับไม่มีใครขยับเขยื้อนเลยหรือว่าเรื่องนี้จะไม่มีความหวังแล้วจริง ชูหลิงเห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วมุ่นแต่ภายใต้การประคองของหลี่จิ้นเขาจำเป็นต้องไปแล้วไม่ได้การเขาต้องหาทางพบกับทั้งสองคนนี้ให้ได้ชูหลิงที่กำลังเดินจากไปตัดสินใจอย่างแน่แน่ในใจเขาต้องหาทางทำลายสถานการณ์ที่ติดตั น, นี้ให้ได้